บทภาชณีติกาปาจิตตีรยยี่2 2บยังไม่ได้บอกภิกษุณีสําคัญว่ายังไม่ได้บอกถามปัญหาต้องอวบัติปาจิตตียังไม่ได้บอกภิกษุณีไม่แน่ใจถามปัญหาต้องอวบัติปาจิตตียังไม่ได้บอกภิกษุณีสําคัญว่าบอกแล้วถามปัญหาต้องอวบัติปาจิตตีทุกทุกกฏบอกแล้วภิกษุณีสําคัญว่ายังไม่ได้บอกถามปัญหาต้องอวบัติทุกกฎ บอกแล้วภิกษุณีไม่แน่ใจถามปัญหาต้องอาบัตทุกกฎบอกแล้วภิกษุณีสำคัญว่าบอกแล้วถามปัญหาไม่ต้องอาบัต